คำสอนของมารดาเมื่อใกล้วันบวชเต็มทีแม่จึงได้เรียกลูกมานั่งต่อหน้าและหยิบยกเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาสอนลูกด้วยความเป็นห่วงว่า นี่ลูกให้มานั่งนี่ฟังนี่แม่จะพูดอะไรให้ฟังนี่ลูกคนนี้แม่ไม่มีที่ต้องติไม่ว่าอะไรอะไรแม่ตายใจได้หมดทุกอย่างเลยหน้าที่การงานอะไรการประพฤติอะไรนี้แม่เห็นลูกเป็นที่หนึ่งเลยในลูกทั้งหลายแม่ตายใจพ่อก็ตายใจ เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแม่ไม่มีวิตกวิจาร์แล้วแต่ที่แม่หนักใจที่สุดคือการนอนของลูกนะการนอนของลูกนี่เหมือนตายชีวนะพี่ชายเขาเวลาบอกแม่ตื่นเช้าแล้ววันพรุ่งนี้ให้ปลุกหน่อยนะจะไปนูนแต่เช้าแล้วก็เข้านอนบางทียังไม่ได้ปลุกเขาไปแล้ว ส่วนลูกนี้ว่าแม่ปลุกหน่อยนะวันพรุ่งนี้เช้าจะไปไหนแต่เช้าแล้วเป็นตายเลยไม่มีคราวไหนที่จะลุกขึ้นด้วยตัวเองนี่หละที่แม่หนักใจมากที่สุดกลัวจะไปขายหน้าเวลาบวชแล้วยังนอนหลับคร่อก อ, อยู่เพื่อนไปบินทบาทกลับมาแล้วมาปลุกฉันจังหัน โอ้แม่นี่ให้ตายซะดีกว่านะอย่าให้ได้ยินนะลูกนะนี่ละ่ะที่แม่วิตกมากที่สุดอนอกกนั้นแม่ไม่มีอะไรเลยละ่ะวิตกการนอนของลูกเหมือนตายนะลูกนะให้ตั้งตัวใหม่นะ ฟังคำสอนของแม่ตั้งแต่ต้นจนตลอดภายนอกอาจดูเหมือนเพียงแค่การรับฟังไว้เฉยแต่ความเป็นจริงแล้วท่านแอบเก็บคำสอนระคนความห่วงใยของแม่ครานี้ฝังแนบแน่นจดจารึกไว้ภายในจิตใจอย่างเงียบ และด้วยความห่วงใยนี้เองได้เปลี่ยนอุปนิสัยการนอนของท่านอย่างเด็ดขาดทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและปฏิบัติธรรมในลำดับต่อมา Dhammam s a r a n a m garcha, sangham s a r a n a m garcha. ตาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัตโยธานิมิตบ้านหนองขอนกว้างตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันขึ้น9ก้าค่ำเดือนเจ็ดปีจอตรงกับวันอังคารที่สิบสองพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด พระอุปชาของท่านคือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี Thank you.